พระธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18พฤษภาคม2557มีชื่อเรื่องว่าเป็นคนแก่ให้ระวังการกินหลวงพ่อไป ไปชุมที่ศรีนครินทร์ขอนแก่นแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้งดอาหาร่ะฉันอาหารเสร็จแล้วไปถึงตอนบ่ายหลวงพ่อก็ตรวจตรวจเลือดน้ำตาลแต่ว่าเนี่ยไตกิสลายไตกิจชลา ย, า ย, ลายสูงมากเลยสามร้อยสี่สิบเก้า ไตกิจสลายรงพอเนี่ยามอยเเคอเลสเตอรอล่้อนกิไตกิสลายหนึ่รายคอเลสเตอรอลตามที่หมอเขาเล่าอธิบายให้ฟังเขาบอกว่าคอเลสเตอรอล น, น่มันอยู่ในมันอยู่ในเลือดอทำให้เลือดข้น ทำให้เลือดข้นน้ํามันอยู่ในเลือดทําให้เลือดข้นไปเลี้ยงสมองไปเข้าหัวใจทําให้เหนืดพอมันข้นมันก็ต้องเนืดธรรมดาละพอมันมีน้ํามันอยู่ในอยู่ในเม็ดเลือดคอเละสเตอรอลแต่ไตกิดสลายเนี่ยไปว่าท่อเลือดน่ยเช่นเลือด มันมีอะไรเกาะฝาผนังเกาะผาฝาผนังเส้นเลือดน้ํามันน้ํามันติดเกาะฝาผนังเส้นเลือดทําให้เส้นเลือดแคบน้ําไหลไม่สะดวกแล้วก็ทําให้เส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดในหัวใจตีบเพราะว่าน้ําน้ำมันไหลไม่สะดวก นเนวว่าตะ ก, กันมันเกาะอยู่ข้างฝาผนังเหมือนกับท่อน้ําท่อน้ําที่เป็นท่อน้ําเหล็กอน้ํามันจกกระปกมันก็เกาะอยู่ฝาผนังท่อน้ําเลือดไหลไม่สะดวกพอเลือดไหลไม่สะดวกไปเลี้ยงสมองไม่พอเข้าหัวใจไม่ได้ก็ทําให้ป๊อกไปเลยตายง่ายฮะ แต่ที่ยังไงหลวงพ่อก็ไม่กลัวหรอกเรื่องตายทำไมจึงไม่กลัวปุ๊มันจะตายอยู่แล้วแต่ว่ากลัวอามาเพิกอามาพลาดเท่านั้นนะอามาเพิกอามา พ, ามาพาลาดในหลวงพ่อกลัวเพราะเหตุไรเพราะช่วยตนเองไม่ได้ใช่ไหมรู้หมดทุกอย่าง เ, เขาขามหามเข้าห้องน้ำมอ่งหามเหไปโน่นหามเหไปนีน่เวลาขี้แตเกเยี่ยวราดจะช่วยตนเองไม่ได้ เขาต้องหามเขาต้องเช็ดโพนสุดใหม่ๆเขาก็ดีหรอกต่อไปเขาก็จะด่าให้หลวงพ่ อ, อยิ่เหมือนกันนะเพราะเหตุไรเพราะตัวเองช่วยตนเองไม่ได้นี่แหละแต่ถึงยังไงเราก็ต้องดูเรื่องอาหารเหมือนกันนะที่หมอเขาเตือนมาเนี่ยก็เราก็เป็นกระจกเงาเหมือนกันเป็นกระจกเงาสําหรับดูเราเราจะไปเห็นแก่ปากแก่ท้องเราจะไปเห็นแก่การฉัน เราก็ต้องสังเกตดูว่าเอ๊ะเนี่ยที่ผ่านมาไต่คิดลายของเรามันขึ้นสูงเนี่ยมันด้วยเหตุอันใดเราฉันอันไหนมากนานะียก็ต้องได้สังเกตนใช้คำว่าเป็นกระจกเงาปก็ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเราไม่กลัวแล้วก็เ อ, อ๋อเอามาเพิกเอามาเพิกเอามาพลาดเอามาพลาด อ, นะอันนั้นกับถือเผื่ อ, อมันเป็นแล้วไม่ต้องตำหนิใครนะ ถ้าเรากลัวว่าจะเป็นเอามาพึกรมพาศเราก็ต้องระวังเรื่องอาหารจะไปเห็นแก่ปากแก่ท้องเอเมื่ออายุมากแล้วเราก็ต้องระมัดระวังแต่หลวงพ่อก็ระวังอยู่นะแต่ไม่ลงมันขึ้นไปตัวไหนเอ่อแต่เขาเออกมามันก็สลองจัดทาของเขาเอาเนยกวนมาเอาชันบัง เ, เนยเค็มมาเอยันบัง ผลไม้มาก็ฉันบางแต่มันหลายบางทีเลยน้ําอัตบานก็ฉันบ้างกระลุวนแล้วจะเป็นเครื่องพอกพูนไตกิสลายที่เขาพูดนะแต่ก่อนเขให้ฉันผักผักผลลไม้ให้มากแต่ผลไม้บางตัวนก็ทําให้ไตกิสลายขึ้ น, น, นได้สรุปแล้วก็คือระมัดระวัง ชีวิตของเราไม่มีใครที่จะดูแลชีวิตของเรายิ่งกว่าตัวของเราเองตัวของเราถ้าเราไม่รักเราก็จะให้คนอื่นรักเรายิ่งกว่าตัวของเราก็ไม่ใช่เรื่องอีกเหมือนกันแปบลบว่าคิดผิดแต่ถึงยังไงเรารักษาสุดความสามารถแต่จะทำยังไงได้มันเป็นสุขภาพของเรามันเป็นอย่างนี้อย่างโรคคนอ้วนเนี่ยกินน้อยมันก็นยังอ้วนอยู่ เออตอนมันจะอ้วนทำไงฮอันนี้ก็มันก็ทำยากอีกเหมือนกันทำให้ทานแค่เดีมันก็หิวฮะพอทานก็ไปหน่อยหนึ่งมันก็อ้วนฮะอันนี้ก็ไตที่สลายหรือขอรรษสลอนของเราคุกทุกคนก็ควรจะระมัดระวังเหมือนกันนะ่ะแต่หลวงพ่อเนี่ยกลัวที่สุดก็คือเอามาเพิกเอามาพลาดกลัวเอามาพลาดจะมากเอามาเพิก เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเช่นเลือดตีบจะทำให้สุขภาพย่ำแย่ช่วยตนเองไม่ได้ตัวเท่าช่วยตนเองไม่ได้จุดนี้แหละน่ากลัวนะถ้ามันตายปอกไปเลยมันก็ไม่มีปัญหาเพราะมันตายไปแล้วจบไปแต่ถ้ามันไม่ตายาใหม่ๆก็ดีลุกสิทธิ์ลูกหา พี่น้องลูกหลานพยาบาลแต่ต่อไปมันเบื่อหน่ายเหมือนกันนะพอหายก็ไม่หายตายก็ไม่ตายจะทํำยังไงได้เผลดีๆคนที่อยู่ใกล้ออก็ทํำยังไงโมโหโกธาอย่างครูบาอาจารย์บางองค์ที่หลวงพ่อได้รับรู้รับทราบดูดูใหม่ๆก็ดีอต่อไปมันก็เบื่อกันเหมือนกัน ผลที่สุดก็ต่อหน้าคนที่มาใกล้ก็ดีเหมือนกับใส่ใจดีแต่พอรับหลังเนี่ยก็โชคโหกหากครูบาอาจารย์กับมนุษย์จะทํำยังไงนอนตาเลื่อมอยู่แม่แม่อยู่แต่รู้หมดทุกอย่างรู้เรื่องหมดทุกอย่างที่เขาไม่พอใจแต่มนุษย์จะทํำยังไงจะตายมันก็เป็นตายจะหายมันก็ไม่หายเออเป็นภาระของลูกน้องบริวาร แต่มองลูกน้องบริวารเนี่ยแต่ต่อหน้าคนก็ดีแต่พอรับหลังคนเอ๊ะอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุไรเพราะว่าลูกน้องบริวารเป็นคนมีกิเลสเอ๊ะเป็นคนมีกิเลสเอเพราะนั้นการที่จะพูดการที่จะแสดงออกของลูกน้องมันก็นั่นแหละมีปัญหาเอ๊ สรุปแล้วก็คืออย่าเป็นอมภพึกอมาพาันดีที่สุดแต่จะทํำยังไงจึงไม่เป็นอมภพึกอมภาตก็ต้องนี่แหละนวัดระวังอย่างที่หมอเขาบอกกล่าวสาเหตุที่เป็นอมภพึกอมภาตมีมีดังต่อไปนี้นีอันนี้เราก็ต้องฟังฟังเขาเป็นกระจกเงาอย่างที่ริบพูดที่หลวงพอ่อริบพูด การพวกเราทุกคนนะอันนี้ก็คือรักษาสุขภาพรักษาให้ดีที่สุดสรุปแล้วก็คืออย่าให้เป็นภาระของลูกของหลานของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดทางเรารักษาดีพอสมควรแล้วก็มันสุดวิสัยก็คือนั่นคือกรรมกรรมในอดีตของเราอ อดีตของเราตะก่อนก็คงจะเคยทุบหลังงูบ้างเอเห็นงูก็ท้อนทุบหลังงูเห็นหมาก็คอนทุบหลังหมาจนเอียวลากนะอคนอื่นเจ็บไม่เป็นไรแต่ตัวเองมาเจอกับตนเองเข้าขกรรมแต่แล้มันตามสนองะผลในสุดก็ขาลากเลยช่วยตนเองไม่ได้ แต่ทุกวันนี้คอยยังชั่วอยู่นะยังมีรถเข็นยังมีใครต่อใครทั้งมีพยาบาลมียุกมียาแต่เป็นโบราณในทำอย่างไงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดพ่อแม่สองตายายแต่งงานกันได้ลูกลูกชายว่าลูกชายก็เลี้ยงลูกชายต่อมาก็ แต่งงานให้ลูกชายพอแต่งงานลูกชายแล้วก็แม่ตายพ่อแม่ป่วยตายธรรมดาละแม่พอแม่ตายแต่ในลูกพ่ อ, องคงจะคิดหนักมนะั้งก็อยู่กับลูกสะภ้ยลูกชายต่อมาลูกชายก็มีลูกอีกได้ลูกได้หลานปู่ปู่ได้หลา น, ลานต่อมาปู่ป่วยไปปูป่เป็นอัมาพาตอย่างที่ว่าน คงจะคิดหนักคิดมากคงจะเส้นเลือดแตกในสมองพอตอนแรกหม่ใหม่หมื่อก่อพอทำเนาพอหลายปีเข้าหลายปีเข้าอาการก็หนักขึ้นหนักขึ้นผลที่สุดก็นอนกับเสือมีแต่ตาเลื่อมแแบบแบบพูดก็ไม่ได้อะไรทำก็ไม่เพราะมันหนักเข้าเรื่อยๆผลที่สุดสามชีวิตสี่ชีวิตกับทั้งปูด้วย ทั้งพ่อด้วยถ้าหาว่าพ่อกับแม่แตะก่อนเมื่อลูกยังเล็กแม่กับลูกก็ต้องเฝ้าปูพ่อก็ต้องไปหากินหาเลี้ยงชีพทำงานนอกบ้านพอลูกใหญ่ขึ้นมาจะก็ให้ลูกอยู่กับปูพ่อแม่ก็ออกไปหากินหาอยู่หากิน มาเลี้ยงครอบครัวทำไร่ทำนาทำวัวทำสวนตามภาษาบ้านนอกแต่ก่อนนั้นต้องไปคนเดียวเลี้ยงสี่ชีวิตต่อมาก็สองคนไปเลี้ยงสี่ชีวิตผลที่สุดทางลูกชายเนะี่ยลูกชายเอตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หาย รักษาเท่าไหร่ก็เท่านี้แหละถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยตายดีกว่าวจะเป็นอย่างพ่อเนียตายหมดจบๆไปดีกว่าจะมานอนจมกองขี้กองเยี่ยวอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างเราเน่ะตายดีกว่าคิดแล้วคิดอีกอคิดอย่างไรก็ตายดีกว่าพ่อเขออาคงอยากจะตายเหมือนกันละมั้งอะ วันหนึ่งก็เลยสารตะ ก, กา้าขึ้นมาอย่างที่ว่าสารตะ ก, กา้าใบบักใหญ่จะมาเอาคนลงได่นะงั้นแต่ก็มีหูอย่างแข็งแรงอีกต่างหากคล้ายๆกับว่าไม่ให้ขาดไม่ให้โปดเอาคนลงไปพอสารเสร็จเรียบร้อยก็หาไม้คานไม้ไผ่ลําลแข็งๆมาเพื่อหามได้ไม่เห็นฮะไม้มันหักก็ว่าเตรียมพร้อมนะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หาจังหวะถึหาการเวลาหาจังหวะวันไหนจะเอาไปคิดในใจก็มันเราตายดีกว่าไม่น่าจะอยู่เป็นอย่างพ่อนะมีแต่กรุกกริกอะไรไม่ได้สักอย่างมีแต่ลืมตาอย่างเดียวมีแต่เอาข้าวให้กินข้าวต้มให้กินกอบแต่ก็ใช้กำรพ ร, ระนิพพุก่อนฝนตกกลางคืน ฝนตกตอนตอนค่ํำยาค่าฝนตกแรงมากพอฝนตกน้กํากระนองอะไรจะน้ําไหลมาจากภูเขาน้ํำนองมันผ่านข้างหมู่บ้านมันผ่านข้างหมู่บ้านพอฝนตกแรงเออวันนี้แล้วโอกาสดีสั่งลูกชายเท น, นั้นนะไอ้ลูกนมลูกอย่าไปไหนทําไนี้นะอยู่บ้านเดี๋ยวพ่อมีธุระ ทางลูกชายโอ้ทำไมพ่อจึงสั่งอะไรแข็งขันเหลือเกินวัเนียตามปกติเด็กหนุ่มก็ต้องไปเที่ยวกับหมู่กับเพื่อนบ้างกลางคืนแต่วันนั้นก็ฝนตกตอนค่ำะพ่อสั่งอีกหลุดลูกชายก็ไม่ไปพอลุงดูเอาจริงจังนะพ่อกับคล้ายว่าตัดสินใจแบบเด็ดขาดจริงจังฮะพอตก คำค้ามมาพอคนมันเงียบใช่อยู่บ้านนอกกคนเงียบในกลางคืนเงียบเก็บไม่มีอะไรพ่อก็เลยบอกว่าลูกลูกชายนมมะนี่งมาเอาพ่อในเตรียมตะ ก, ก้ากับไม้คานหามมาแล้วงั้นเอามากับวางไว้ข้างๆพอนะ่อป่ะยกขายกขาปูเดี๋ยวพ่อจะยกทางนักแร่ทาง พ่อก็ยกถังลักแล้หลานชายก็ยกขาขาปู่ม้วนลงใส่ตะก้านะใส่ตะก้าเสร็จแล้วก็หาไม้คานมาสอดเข้าไปเลยกันไปหามลูกชายก็ไปเดินหน้าลูกชายก็หามลงจากบ้านเนี่ก็เดินหน้าเดินไปกับพอพ่ อ, พอไปซ้ายไปขวาก็าไปตามที่พ่อสั่งอนะ่ะไม่รู้ว่า ลูกชายก็ไม่รู้หามไปอะไรเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่วพอพ่อสั่งไปทันนั้นก็ไปทางนั้นนะ่ะพ่อก็ไปทั้งน้นไปทางสะพานที่น้ําน้ำมันไหลเชี่ย ว, ยวที่มันน้ําคลองข้างข้างหมู่บ้านพ อ, อไปพอถึงสะพานน่ะพอไปถึงสะพานกลางสะพานอ้าววางลูกชายก็เอาลงจากบ่าวาง ถอดคานออกพ่อก็อบอกว่านี่นะหนุ่มลูกเห็นปู่ขึ้นมามันยุ่รู้จะทำยังไงถ้าเป็นอย่างพ่อเนใี่ยตายดีกว่าหายก็ไม่หายเป็นอมภพึกอมาพาตอยู่ตนนี้มิแตลืมตาได้อย่างเดียวอย่างอื่นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็เป็นภาระของพวกเราอีกต่างหากเป็นภาระของคนอื่นในต่างหาก ถ้าเป็นอย่างพ่อเนี่ยตายดีกว่าเพราะนั้นวันนี้พ่อจึงถามปู่มามาโยนลงคลองเนี่ยนะโยนลงห้วยเนี่ยที่น้ําไหลเชี่ยวเนี่ยไปซะหมดภพหมดชาติเป็นอย่างนี้หมดลาคาญตัวเองก็ดําคาญตัวเองตายดีกว่าทางลูกชายก็ทําทางงง ง, งงเหมือนกันโู้ทําไมพ่อคิดขนาดนี้ว้าเลยลูกชายก็เลยถามคุณหมอ คุณพ่อไอ้ตะการน่าจะโยนลงไปด้วยไหมหรือจะเอาตะปูโยนลงไปตะการเอาไว้จะ่ไหมเรื่องจะจะโยนจะโยนตะปูลงไปอา้าวจะไว้ทําไมตะกาโยนลงทั้งหมดเลยสิยกขึ้นไปแล้วก็โยนลงเลยจะตะแก่จะไว้ทําไมตะการทางลูกชายก็บอกว่าถ้าต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยผมไม่รู้จะสารตะก้าเป็นหรือเปล่า ผมอยากจะเอาตะกร้าไปนี้ไว้ถ้าคุณพ่อเป็นอมาเพิกอมภาตต่อไปภายภาคหน้าผมก็ลูกชายจะได้หามคุณพ่อมาโยนลงในคลองเหมือนกับคุณพ่อทํำเลยนะฮะท้งผู้พ่อกนะ็อึง้งปะปะป ะ, ปะหามกลับหามกลับทําไมละพ่อเดี๋ยวกรรมตามสนอง <laughs> เดี๋ยวกรรมตามสนอง แต่ตัวเองก็กลัวตายเด็กมาได้แ้จะจะโยนพ่อเอาจริงๆพ่อตัวเองมาถึงนึกถึงตัวเองน้อโอไม่ได้เดี๋ยวลูกชายก็จะหามตัวเองมาโยนลงน้ําอีกเหมือนกั น, นเดี๋ยวกรรมตามสนองอกับกับกับกับนี่แหละสรุปแล้วก็คือคนโบราณเขาก็ยังมีเรื่องราวมาเล่าเล่าให้กับพวกเราได้ฟังแสดงว่าคนโบราณเขาคิดหนักมั่นกานในเรื่องออามาพึกงออมหมกพลาดเนี่ นั้นขอให้พวกเรานะลูกหลานทุกคนนะให้ดูให้รักษาสุขภาพเท่าที่จะรักษาได้ถ้ามันกรรมจริงๆก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกเหมือนกันนะนะั่นแหละแต่หลวงพ่อเนี่ยกลั ว, ก ล, วกลัวเอามาเพิกเอามาพาดอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนะ ว, วันนี้เป็นวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 7เนะเป็นเดือนพฤษภาคมแล้วก็ วนนี้หลวงพ่อจะได้ไปเทศนะไปแสดงธรรมที่เซนท่านชั้นสี่เขาเนมนตนแต่หลวงพ่อก็คิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะัออ่นเราไม่น่าจะออกไปถามจริงชุมชนสังคมท่านผู้ว่าท่านกรรมาผู้และท่านอาจารย์อยากจะนิมนท่านอาจารย์ไปนั่นนะเพื่อพี่น้องชาวอุดรแต่หลวงพ่อมาพิจนารณาดูแล้ว พระผู้ใหญ่ก็หมดไปหมดไปมันก็มาถึงตาของเราแล้วเราก็ควรจะให้ความสำคัญกับลูกกับหลานกับหยติศรัทธาญาติโยมของชาวเมืองอุดรเราก็ควรจะมีอะไรก็ควรจะไปพูดพูด ส, พสัมโอภาปาศสให้แนวความคิดสำหรับพี่น้องชาวอุดรจักนิดจักหน่อยก็จะดีมากหลวงพ่อก็เลยรับนะแล้วก็วันนี้แหละเวลาบ่าย บายโมงไปถึงแนละ้บ่ายสองโมงอาจจะประมาณนี้แหละถ้าคนพร้อมลนะ้วก็คงจะแสดงทำบ่ายโมงบ่ายสองโมงนี่แหละที่เซนทันวันนี้เนพะราะนั้นหลวงพ่อกคงจกสิบโมงกว่าคงจะออกเดินทางไปเข้าไปอุดอรนวันนะี้อันลพัพรเน้อแท้นอะนุโมทนาให้พร